เพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์สิบกคนผู้เป็นสิทธิ์ของพราหมณ์ภาวรีก็คืออชิตะพราหมณ์ติดสะเมตยะพราหมณ์ปุณนกะพราหมณ์เมตตะคูพราหมณ์โทตกะพราหมณ์อุปสีวะพราหมณนันทพราหมณ์เฮมกะพราหมณ์โตทยพราหมณ์กัปปะพราหมณ์อัตุกันนีพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตแต่ละคนนี่ฉลาดฉลาดทั้งนั้นเลยนะเป็นกลุ่มผู้มีปัญญามากผู้มีบุญเก่ากันทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นพัทาวุฒิพรามอุทยาพรามโปศาระพรามโมคราราพรามผู้เป็นนักปราช์ปิงทิยพรามผู้สแสวงหาคุณใหญ่ก็ได้ฟังวาจาของภาวรีพรามเนี่ยนะพวกนี้เป็นเป็นปราช์เป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นเลยแต่ละคนฉลาดมากนะสมัยนั้นนะ่ะถ้าเปรียบแบบสมัยนี้เนะี่ยมีความรู้กว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สายสายสา ย, สายต้องเป็นสายอักรษรศาสตร์เนี่นะ มีความรู้ความสา ม, มารถสายอักษรศาสตร์เนี่ยถึงฝั่งเลยถึงฝั่งแห่งลักษณะวิชาสายอักษรศาสตร์หมดเลยพวกนี้เก่งถ้าเป็นเปรียบสมัยใหม่ก็คือพวกสายปรัชญาสายจิตวิทยาสายอักษรศาสตร์พวกนี้เก่งมาก ถ, ถึงจุดจุดยอดของวิชานี่นะก็ถ้าถ้าเปรียบแบบสมัยนี้ก็ด็อกเตอร์ในตัวหลายแขนงด้วยกันหนึ่งอักษรศาสตร์เขาได้ละ น, นะสอง โหราศาสตร์นี่ถือว่าพ่วงทายนั่นและเาก็เป็นแล้วก็พวกอะไรอักษราศาสตร์โหราศาสตร์พวกอะไรนั่นแะแต่ว่าเก่งหลายอย่างะความสามารถสูงมาก <c oughs> พรามทั้งหมดนั้น น, นะนะเฉพาะคนหนึ่งๆอะ่ะเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะปรากฏแก่โลกทั้งปวง คือแต่ละคนเนี่ยมีบริวารประจาตัวเนี่ยพันคนน่ะแต่งมากนะจึงเอาคนพันคนเนี่ยอยู่ในอนานาจต้าต้องมีบุญจริงๆและท่านเหล่านั้นเป็นผู้เจริญฌานบางคนนี่ได้รูปฌานด้วยในในในในสิทธิเหล่านั้นนะบางคนนี่ได้รูปฌานยินดีในฌานเป็นทีระชนผู้มีจิตอบรมมาด้วยวาสนาในการก่อนเป็นผู้มีบุญเก่าทั้งนั้นเลยคือพวกพราหมณ์เหล่านี้เนี่ย ศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านบวชกันท่านบวชกันจนตลอดชีวิตเพราะชาติก่อนนั้นเขาเป็นอํามาตะกันเป็นอํามาตะแล้วตอนหลังก็สละบ้านออกบวชออกบวชก็บวชอยู่ตนสิ้นชีวิตเนี่ยนะฮันเป็นผู้ที่อบรมวาสนาเป็นผู้ที่มีบุญมาผู้มีบุญเก่าเยอะเนี่ยนะพราหมณ์ผู้เป็นศิษย์ทุกคนเนี่ยทรงชดาและหนังเสือเนี่ยนะบวชเป็นฤาษีเต็มตัวเลยนะอภิวาทภาวรีพรามณ์ กระทำประทักษิณมุ่งหน้าไปยังทิศอุดรนแสดงว่าอยู่ทางใต้นะก็ต้องไปทางเหนือละไปสู่สถานที่ตั้งแห่งแคว้นมูลกะเมืองมหิสติในการนั้นแล้วก็ไปถึงเมืองอุชเชนีเมืองโคนัทะเมืองเวทิสะเมืองวนาสวยหะไปถึงเมืองโกสัมพีเมืองสาเกตเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีนี่เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากสมัยนั้นเมืองสาวัตถีนี่มีอาณาจักรขึ้นร้อยเมืองด้วยกัน เมืองสาวัตถีกับเมืองราชชครึกเนี่ยจะเหมือนกันอย่างนังว่าถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยช่วงสมัยที่จะมีพระพุทธเจ้าเมืองนั้นจะเจริญรุ่งเรืองแต่หลังจากผ่านพุทธสมัยไปแล้วจะเป็นเมืองร้างยักษ์ดูแลอยู่อย่างทุกวันนี้เป็นกันเป็นเมืองร้างจริงๆเนี่ยนะเป็นเมืองร้างราชครึกก็เป็นเมืองร้างอยู่ตอนนี้เนี่ยเมืองสาวัตถีก็เป็นเมืองร้างไปก็มีแต่อะไรก็เหมือนเราไปสุโขทัยอ่ะคล้ายๆกันไปสุโขทัยอ่ะ็นะ เือปรักหักทังก็มีเศษอิฐเศษอะไรอยู่บ้างแต่ที่เหลือก็จะเป็นป่าไม้ป่าแบบป่าต้นไม้เล็กๆ เ, เ, เนี่ยนะเหมันก็ป่ารกป่าลา้งอะไรสักอย่างอะไรแบบนั้นอันไปอินเดียตอนนี้ก็ไปดูอย่างนั้นนะไปดูป่ารกป่าราง้งอันถ้าไม่มีความรู้ไปมันก็แค่ก็ได้กราบได้ไว่ายนะก็ยังดีอะ่ะพันพวกพราหมณ์เหล่านี้ก็ไปไปถึงเมืองสาวัตถีทีนี้ก็ไปเมืองเสตปพระยะไปเมืองกบิลพัฒน์แล้วก็เลยมาเมืองกุสินารา เมืองที่พระพุทธเจ้าปรินิพานน่ยนะจากเมืองกุสินาราก็ไปเมืองปาวาไปถึงโพขนครไปถึงเมพาสาลีเวสาลีพาิาลีเนี่ยอันเดียวกันแล้วก็ไปจนถึงเมืองมคตคือคือเมืองราชครึกนีนะและไปที่ปาสานเจดีอันเป็นรมณียสถานอันน่ารื่นรมเป็นจริงๆแล้วอะ่ะพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นอะ่ะตอนที่ฟังข่าวเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีจริง แต่พระองค์เนี่ยรู้ว่าพราหมณ์เหล่านั้นจะมาถามปัญหาถ้าอยู่รอตอบอินทรีย์เขายังไม่แก่กล้าฟังแล้วไม่บรรลุงนั้นพระองค์ก็จาริกกับประจาริกเหมือนกับเดินหนีไปก่อนนะ่ะเดินล่วงหน้าไปก่อนหลังเขาก็จะติดตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นการบ่มอินทรีย์ในตัวนะเป็นการบ่มจากขุนศรีโสตินศรีเนี่ยนะไปด้วยอะดังนั้นพระองค์ก็จะมาจนถึงเนี่ยมาที่แคว้นมคธหั้นเขาก็ติดตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนะก็ จนกว่าอินทรีย์เขาจะแกกล้านะ่ะนะให้เข้ามาตามทันที่ป่าสารนะกะเจดีพอดีเพราะช่วงนั้นอินทรีย์เขาจะแก่กล้าพวกพราหมณ์เหล่านั้นก็รีบขึ้นภูเขาคือป่าสารนเจดีเนี่ยนะ JD, ที่ที่มันเป็นพลานหินใหญ่อ่ะตรงนั้นเป็นพลานหินใหญ่มันจุคนได้มากอ่ะพอบริเวณเนี่ยคนมาเป็นสํานวนไหมเนี่ยว่าเป็นล้านน่ะที่ที่ติดตามมาเนี่ยนะเราพ่อฤาษีแต่ละคนเนี่ยมันมีบริวารเยอะ ก็เฉพาะกลุ่มฤาษีก็หมื่นหกแล้วอ่ะหมื่นหกพันเนี่ยนะแล้วพวกอื่นๆที่ติดตามประชาชนเนี่ยถ้าคิดดูว่าคนหมื่นหกพันจาริกเนี่ยมันต้องใช้อาหารเท่าไหร่จะต้องมีคนผู้ที่เอาอาหารติดตามเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมเดินทางไกลขนาดนั้นประชาชนก็แห่นติดตามเนี่ยเยอะเน่ยทีนี้พวกพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยปรารถนาที่จะพบพระพุทธเจ้าเหมือนคนกระหายน้ํารีบหาน้ำเย็น อยากเจอพระพุทธเจ้าจริงๆเลยนะเหมือนพ่อค้ารีบหาราบใหญ่และเหมือนคนถูกความร้อนแผดเผารีบหาร่มฉะนั้นะนวอยากเจอพระพุทธเจ้าจริงๆอุปมาเหมือนคนกระหายน้ำเหมือนพ่อค้าเหมือนกับคนที่ร้อน่ะก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระภิกษุสงฆ์เนี่ยห้อมล้อมแล้วสแสดงธรรมะแก่พระภิกษุทั้งหลาย ประหนึ่งว่าราชสีเนี่ยบรรลืสีหนาตอยู่ในป่าพระองค์ก็แสดงธรรมสงเคราะห์พระพิสุอยู่อาชิตพราหม์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดังดวงอาทิตย์มีรัศมีฉายออกไปและเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงในวันเพ็ญเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเห็นดวงอาทิตย์เห็นพระจันทร์เลยนะยิ่งใหญ่จริงๆนะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มาก เพราะไรเพราะว่าทั้งรูปร่างกายประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการนะยังมีรัศมีแผ่ซ่านออกจากตัวเนี่ยนะก็บ่งถึงว่าแค่เห็นนี่ก็รู้เลยว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆลำดับนั้นอาชีตพรามก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งรื่นเริงใจเพราะได้เห็นอนุพยันชนะที่บริบูรณ์ในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นเรียบร้อยหมด ก็ได้ทูลถามปัญหาด้วยใจ น, นะถ้าแน่จริงอะ่ะถามด้วยวาจาก็ต้องตอบด้วยใจสิเออถามด้วยใจก็ต้องตอบด้วยวาจาสิเหมือนกันเพราะนั้นก็เลยถามว่าอาชิตะก็ถามว่าท่านเจาะจงใครจงบอกโคตรพร้อมด้วยลักษณะบอกความสําเร็จในมนทั้งหลายพรามสอนมานบเท่าไหร่อันนี้คือคําถามเนี่ยเขาบอกว่าท่านเจาะจงใครหมายถึงตัวท่านอ่ะนะ จงบอกโคตรพร้อมด้วยลักษณะบอกความสําเร็จในมนพรามสอนเท่าไหร่อันนี้หมายถึงคำถามเนี่ยหมายถึงถามถึงอาจารย์ตัวเองนะถามพระพุทธเจ้าด้วยใจแต่ถามถึงอาจารย์ตัวเองนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงต้องเอาเรื่องอาจารย์มาเล่าได้สิพระพุทธเจ้าก็ตอบด้วยวาจา ว, ว่าพรามนั้นมีอายุร้อยยี่สิบปีนะเป็นภาวรีโดยโคตรลักษณะสามอย่างมีในตัวพรามนั้นพรามนั้นอ่ะเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งไตรเพศ ตอบได้หมดเลยนะท่านเจาะจงใครก็บอกเจาะจงพรามพาวรีนั่นแหละเบอกอายุก็คือร้0ยปีโดยโคตรก็ภาวรีโคตรมีลักษณะสามอย่างอยู่ในตัวเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญถึงฝั่งแห่งไกลเพศกรเพื่อนนี้เขาบอกว่าแค่ไหนก็อบอกแค่กัอยู่ในลิ้นหมด อ, อยู่ในปลายลิ้นหมดภนะาวรีพรามนั้นถึงความสำเร็จในธรรมะของตนสอนมานบห้าร้อยคน ปกติก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้มีสิทธิ์ที่ว่ายากสอนยากสิทดื้อสิทโง่เนี่ยประจําสํานักอยู่ห้าร้อยอาจารย์ใหญ่ก็สอนสิทโง่นะนะแล้วก็พราวรีพราหมณ์เนี่ยนะมีมหาบุริศลักษณะสามสิบสประการแล้วก็ยังมีความแตกฉานในคำพีร์มหาบุริศลักษณะและคัมภีร์อิติหาสะพร้อมทั้งคัมภี์นิขันดสดษะ คัมภีเกตัวพส่าเนี่ยนะมีความรู้ด้านความสามารถเรื่อง أ, พฤกษชาติด้วยนะเรื่องเรื่องเรื่องต้นไม้เนี่ยเขาจะรู้แต่ชานหมดต้นไม้ชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยเขาเขาเรียกได้เลยหมดเลยแล้วก็คณิตศาสตร์ก็เก่งคำนวณเก่งมากเขาบอกมองเห็นต้นไม้รู้เลยว่าต้นนี้มีกี่ใบนั่นแหละความสามารถด้านคณิตศาสตร์เขาขนาดนั้นคุณโชคดีนับต้นไหนได้บ้า ง, งต้นสนเนี่ยนับได้ไห ม, ไมไเห็นต้นสนแล้วนับเลยต้นนี้มีกี่ใบ ย, ย่างไงนะ งันพราหมณ์เนี่ยเขามีความสามารถกันขนาดนั้นนะเออคณิตศาสตร์โหราศาสตร์พวกพฤกษศาสตร์เนี่ยนะพวกอักษราศาสตร์แล้วก็เรื่องการปกครองคำนวณรำเนียมประเพณีเนี่ยนะประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้เขาจะเก่งมากเลยถึงฝั่งหมด น, นนะข้าแต่พระองค์ผู้เ อ, อ่ออาชิตะมานพก็าถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชน ผู้ตัดเสียซึ่งตันหาขอพระองค์เนี่ยทรงประกาศความกว้างแห่งลักษณะทั้งหลายของภาวรีพรามความสงสัยอย่าได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเลยก็ยังถามปัญหาด้วยใจใต่อไปไนะเอเข้าเป็นยังไงว่างั้นพระพุทธเจ้าก็ตอบด้วยวาจา ว, ว่าพรามนั้นย่อมปกปิดหน้าได้ด้วยลิ้นคือลิ้นของพรามนี่ใหญ่มากคือคนที่พูดดีพูดเพราะเสียงดีจริงๆเป็นคนที่ลิ้นใหญ่ ไอ้คำว่าใหญ่เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันหนาเตอะเต็มปากนะคือลิ้นเนี่ยลิ้นธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าแผ่ออกมาแล้วปิดหน้าได้บางมากเนีย่ยนะกระทว่าแลบออกมาแล้วแตะหน้าผากได้ของเราถึงจมูกไห ม, ไมแลบจมูกยังแค่ไม่ค่อยถึงเลยนะมันมีหน้าเสียงจึงเป็นแบบนี้กั น, บ, นบุญน้อยนะทําบุญมาเนี่ยสมควรนอะอันนี้อันนี้ข้อหนึ่งนะเขาบอกว่ามีอุณาโลมอยู่ในระหว่างคิ้วเนี่ยนะระหว่างคิ้วซ้ายคิ้วขวามีขนเขาเข า, เขาขึ้นอยู่ตรงนั้นะ่ะ แล้วก็มีอวัยวะที่ซ่อนอยู่ในผ้าอยู่ในฝักเหมือนช้างว่างั้นนะเหมือนช้างเหมือนมา้าเออเหมือนช้างเนี่ยชัดเลยดูก่อนมานพท่านจงรงู้อย่างนี้ทีนี้อชิตะมานพกกล่าวว่ า, า, วาชนทั้งปวงไม่ได้ฟังใครใครซึ่งเป็นผู้ถาม ได้ฟังปัญหาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแก้แล้วเกิดความโสมนัติปนมัญชลีย่อมคิดไป ต, ต่างๆว่าทุกคนดีใจกันหมดเลยนะคล้ายๆกับว่า เ, เงียบๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ตอบมาเรื่อยตอบมาเรื่อยจริงๆอะ่ะมีผู้ถามถามด้วยใจอยู่แล้วแ้งก็เลยกล่าวว่าใครนาะเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นพระอินทผู้สุชมบดีเมื่อเขาถามปัญหาด้วยใจแก้ปัญหานั้นกะใครได้โอ้โหเก่งจริงๆอ่ะนะคนธรรมดาจริงๆแล้วเนี่ย แล้วถามปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดอยากถามอะไรแค่เป็นเรื่องที่ตอบง่ายๆนะเป็นเรื่องตอบยากมากเพราะพระพุทธเจ้าเกิดมาสำนวนไม่เคยเห็นภาวรีพรามเลยนะแต่ว่าเนี่ยความที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอะไรไม่ติดขัดก็อย่าว่าภาวรีพรามเลยนิพพานที่ละเอียดกว่านั้นพระองค์ยังรู้เลยนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงเรื่องแค่แบบยาแบบนี้มั้งกัน อชิตามานบก็กล่าวต่อไปว่าพาวรีพรามเนี่ยย่อมถามถึงศรีรษะและธรรมะอันให้ศรีรษะตกไปก็ยังถามด้วยใจยอยู่ดีนะก็เาพาวรีพรามนี่เขาอยากรู้ว่าศีษะคืออะไรธรรมะที่ทำให้ศรีรษะตกไปเนี่ยทำได้ยังไงข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันใหญ่ขอพระองค์โปรดตัดพยากรณ์ข้อนั้น กำจัดเสียซึ่งความสงสัยของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดอยากรู้เหลือเกินไอศีสระอะไรคือศีสระธรรมะที่ทําให้ศีสระตกคืออะไรไฟรู้ไหมอยากจะละความสงสัยอันนี้เหลือเกินพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าท่านจงรู้เถิดว่าอาวิชชาเป็นศีสระความไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะ ความไม่รู้ทุกความไม่รู้ทุกขสมุทัยความไม่รู้ทุกขานิโรธความไม่รู้ทุกขานิโรธท่ า, าม่มีปฏิปทานเนี่ยเป็นศีรษะถามว่าศีรษะอะไรศีรษะวัตตะไงเนี่ยนะศีรษะของสังสารวัฏหัวหรือหัวจักนะถ้าเป็นขบวนรถไฟก็หัวจักใหญ่อะ่ะคืออวิชชาเนี่ยพาไปชีวิตก็เป็นไปอย่างเนี้มันชีวิตในวัตะหรือความเป็นไปแห่งขันธาตุอายตนะมีอวิชชาเนี่ยเป็นศีรษะ วิชาประกอบไปด้วยศรัทธาสติสมาธิฉันทะและวิริยะเป็นธรรมะเครื่องยังศีรษะให้ตกคือถ้าจะละอวิชาถ้าจะฆ่าอาวิชาันนั้นต้องมีวิชาทีนี้วิชาเนี่ยนะที่จะตัดอวิชาได้จะต้องประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาก็คือเนี่ยสัททินรียนะถ้าพูดถึงศรัทธาก็สัททินสีศรัทธาภละเข้ามาแล้วและต้องมีสติคือสติประธานสีเนี่ยนะ สติสติสัมโพชงสติพละสตินสีสัมมาสติอะไงี้ยแต่แล้วก็มีสมาธิเนี่ยนะสมาธิก็คือสมาธิพละสมาธินสีอน น, นแล้วก็มีอะไรสัมมาสมาธิมีฉันทะก็คือฉันทะสมาธิประทานสังขารมีวิริยะคือสัมมปทานน น, นวิมังสิติบาทเนี่ยนะเออไม่ใช่ขอไปวิริยติบาท วิริยะพระวิรยินทรียีสัมมาวายามะเนี่ยนะผมสรุปว่าโพธิปัจจยธรรมอ่ะนะโพธิปัจจธรรมนี่แหละเป็นเครื่องยังอวิชชาให้ตกแต่ชืเรียกย่อๆก็คือมีวิชาที่สัมปยุตกับศรัทธาสติสมาธิฉันทาวิริยะเนี่ยเป็นตัวยังศีสะให้ตกั น, นะนก็ว่าง่ายๆก็คือมรรคแนั่นแหละเป็นเครื่องทำลายอาวิชชาว่านน ลำดับนั้นอชิตะมานพผู้อันความโสมนัตเป็นอันมากอุดหนุนแล้วเนี่ยนะปลืม้มดีใจมากกระทำซึ่งหนังเสือเฉียงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็โซบเสียนลงแทบพยุคครบัด น, น, นะตอนแรกม้าก็มาถามปัญหาด้วยใจเฉยๆยังไม่ได้กราบไม่ได้วายอะไรนะลองดูว่ารู้จริงหรือเปล่าก็เลยกราบทูลเนี่ยนะหลังจากกราบถวายบังคมเสร็จก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกผู้มีพระจักสุ ภาวรีพราม์พร้อมด้วยพวกสิทธิ์มีจิตเบิกบานโส ม, มนัสขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์นะว่าทั้งสิทธ์ทั้งหมดอะของภาวรีพราม์เนี่ยนะขอนับถือขอกราบขอไหว้ถวายบังคมพระยุคลบาทคือกราบเท้าทั้งคู่นั่นเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเออาวรีพราม์พร้อมด้วยพวกสิทธิ์จงเป็นผู้มีสุขเนี่ยนะก็สุขิตาโหถะเนี่ยนะสุขิตาโหตุเนี่ย ให้ทุกคนมีความสุขนะกันนะว่างันดูก่อนมานพและแม้ท่านก็ขอให้มีความสุขมีชีวิตยืนอยู่นานเถิดเนี่ยนะสุ ข, ขีธีคายุโกภะวะว่างันนั่นนะคอยมีความสุขมีอายุยืนนานเนี่ยนะอยู่ได้ยืนอันนี้ก็ถือว่าโดยทั่วทั่วไปท่านบอกว่าเป็นพุทธพจน์ ท, ที่กล่าวเป็นธรรมดาว่าจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเนี่ยนะ เมื่อผู้มีผู้กราบผู้ไหว้เป็นต้นพระองค์ก็จะกล่าวคำเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขขอให้มีความสุขมีชีวิตอยู่ยืนนานเนี่ยนะก็เป็นการเจริญเมตตาของพระองค์นั่นเองพระองค์ก็กล่าวต่อไปว่าเราให้โอกาสแก่ภาวรีพรามแก่ท่านและแก่พรามทั้งหมดตลอดข้อสงสัยทั้งปวงนนี้เรียกว่าสัพพันญูปรวรณาเลยนะประวรณาแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายปรารถนาปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ในใจก็จงถามเถิด สงสัยอะไรก็ถามมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอกาสแล้วอาชีตภามก็นั่งประนมมือแล้วทูลถามปฐมปัญหากับพระตถาคตในบริษัทนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรีย ก, กว่าวัตถุกถาเป็นคำเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าถึงปัญหาของอาชิตมานบทั้งสิบหกปัญหาของมะนบสิบหกท่านเนี่ยนะมีอาชิตะมะนบเป็นประธาน